มีความรู้สึกตัวนะฟังทมไปสบายอย่าห่วงว่าจะฟังไม่รู้เรื่องสมองของเรากับจิตนะั้นโคดละอันกันเราจะไม่ได้ฟังทมด้วยสมองละต่อไปนี้เราจะฟังทมด้วยจิตเคยได้ยินไหมว่าจากจิตสู่จิตถ้าจิตของเราประนีตพอนะธรรมะมันจะปรากฏขึ้นแก่จิตของเราเองหลวงู่ดลเคยสอนบอกว่า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 เราก็จะรู้สึกตัวของเราพอหน้งงเราไปเรื่อยหรือธรรมะของท่านเทศตรงนี้ใจเราอยู่แค่นี้ใจเรายัางรับไม่ได้ก็นะฟังไม่ยังไงหนึ่นงนะแต่ถ้าเมื่อไรกระแสธรรมะของท่านธรรมะของท่านมันตรงพอดีกับจุดที่เราติดขัดอยู่เราจะเกิดปิ๊งขึ้นมาในใจมันจะเข้าใจขึ้นในพริบตาเดียวท่านเองเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกขึ้นมา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 ส่วนใจย่อนไปฟุ้งซ่านส่วน่าฟุ้งซ่านนะ ท, ท, ทั้งที่นั่งทำเป็นสงบนี่นะใจวุแนวักไปเลยใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจแรงๆสักทีสิหายใจแล้วก็รู้สึกตัวแล้วนะหายใจน ะ, จนะรู้สึกไหมมันโล่งขึ้นมันโปร่งขึ้นมันรู้สึกตัวได้ดีขึ้นทำครั้งเดียวนะ